ต้องทำหลายอย่างแต่ว่าแม่สิ่งที่เราทำแต่ละอย่างนะมันมีความสำคัญก็อย่าลืมนะที่จะกลับมาใส่ใจกับตัวเองอยู่เนืองๆจะปล่อยให้สิ่งต่างๆนี่มันดึงความสนใจออกจากตัวเรานะจนลืมเนื้อลืมตัว แม้ว่าสิ่งที่เราทําหลายสิ่งหลายอย่างมันจะเป็นสิ่งที่ดีหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เราเชื่อว่ามันจะนําพาความสุขให้กับเราหรือว่าจะช่วยบรรเทาความทุกข์ของเราแต่ถ้าว่าเรา ลืมตัวลืมกายลืมใจเสร็จแล้วนี่ยังไงมันก็หนีความทุกข์ไม่พ้นแม้ว่าเราจะพยายามที่จะหนีห่างจากมันหรือว่าบรรเทาเบาบ า, บางโดยเพราะความทุกข์ใจทั่ว น, นี้มันมีสิ่งต่างๆที่โดยแลแต่พยายามที่จะดึงความสนใจของเราออกนอกตัวอย่างที่เคยพูดไปแล้วมีอะไรต่างๆมากมายที่ร้องความสนใจของเรา แล้วถ้าเราปล่อยใจให้ไปจมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจนลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจมันมีแต่จะมีความทุกข์เพิ่มขึ้นมีความวิตกกังวลมีความเครียดในที่คิดว่าสิ่งที่ทำไปมันจะช่วยบรรเทาความทุกข์ มันกลับจะไม่เกิดผลเท่าไหร่ไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่เป็นเรื่องของความบันเทิงเริงรมที่ทำให้เพลิดเพลินจนลืมเนือลื ม, ลมตัวเท่านั้นแม้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เราทำด้วยความปรารถนาดีเช่นการทำงานทำการการสร้างเนื้อสร้างตัว หรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อื่นอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าก็อย่าลืมอย่าลืมกายลืมใจของตัวการมาใส่ใจกายนี่มันไม่ได้ไหมายความมาใส่ใจกับเสื้อผ้านหน้าผมนะแต่ น, น้อยๆเนี่ยก็ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพนะ ใส่ใจในเรื่องของความเป็นอยู่ทางกายแต่ก็ยังไม่พอนะก็ต้องไม่ลืมใจของเราด้วยถ้าว่าเราไม่ลืมใจไม่ลืมกายเนี่ยมีความสุดตัวตรงนี้แหละที่มันจะเป็นบาทฐานเป็นจุดเริ่มต้นของแกนของการบรรเทาทุกข์ ไม่ว่าทุกกายหรือทุกใจให้เกิดผลได้ในเรื่องการทำมาหากินนะ่าจะทำด้วยความขยันหมั่นเพียรหรือว่าแมแต่การทำความดีมีศีลมีธรรมถ้าถึงตอนนี้ก็ดีอยู่นะแล้วก็สำคัญด้วยเพราะมันช่วยป้องกันความทุกข์หรือว่า ไม่ให้ความเดือเนื้อร้อนกายที่มามารบกลัวรังควานจิตใจของเราแต่มันก็ยังไม่พอนะเราจะเป็นที่จะต้องมาให้ความสําคัญนะหรือว่าใส่ใจนะกับความเป็นไปของกายและใจของเราด้วยเรื่องความใส่ใจในกายเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราเห็นความสําคัญอยู่นะ การดูแลสุขภาพร่างกายของตัวให้ดีาการออกกาลังกายการควบคุมหรือการกินอาหารที่สมดุลเกิดประโยชน์ไม่ใช่เพื่อความรอร่อยแต่ก็ต้องไม่ลืมเรื่องของใจด้วยเรื่องใจเนี่ยสิ่งที่เป็นพื้นฐานเลยนะก็คือว่าสำนักรู้นะอยู่เสมอรือ้อเนือเนื้ว่าตอนนี้ใจเราเป็นอย่างไร คนเราเนี่ยถ้าว่าเราจะมีความสึกตัวได้เนี่ยมันก็ต้องรู้อยู่เสมอรู้อยู่เนืองเนืองนะว่าณ ว, ว่าตอนนี้เนี่ยเราเป็นอย่างไรเรารู้สึกอย่างไรสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทําให้เรามีสติมีความสึกตัวอยู่เรื่อยๆนะไม่ลืมเนื้อลืมตัวน่าคือการถามตัวเราเองนะถามตัวเองว่าตอนนี้เรารู้สึกอย่างไร อันนี้เป็นคำถามสำคัญนะที่เราไม่ควรมองข้ามตอนนี้ฉันรู้สึกอย่างไรตอนนี้ฉันคิดอะไรอยู่นะตอนนี้นะฉันเป็นอย่างไรอันนี้เป็นคาถามที่มันจะช่วยโดยเพราะผู้ใหม่นะนี่ที่สนใจเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยหรือผู้ที่เห็นความสำคัญความสึกตัว แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ตรงไหนเนี่ยในท่ามกลางชีวิตที่มันเร่งรีบร้อนรนจนลืมเนื้อลื ม, ลมตัวและเผลอพลัง้งปให้ความทุกข์ข้อมงานปลให้ความเครียดเล่นงานถ้าว่าเรากลับมารู้สึกตัวได้เนี่ยนะมันก็จะช่วยทําให้ไอ้ความทุกข์รนนั้นเนี่ยมันลบกลัวรังความติดใจเราน้อยลงแต่การที่จะ ค ว, ความสึกตัวให้เกิดขึ้นได้เนี่ยสำหรับผู้ใหมน่นี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็มีวิธีที่จะช่วยเราได้คือถามตัวเองอยู่นึงๆว่าตอนนี้ฉันรู้สึกอย่างไรฉันเป็นอย่างไรตอนนี้ฉันคิดอะไรอยู่ตอนนี้ฉันรู้สึกทุกข์ตอนนี้ฉันรู้สึกผ่อนคลาย หรือว่าจะรู้สึกเครียดจะรู้สึกโปรงโล่งไม่ว่ามันจะรู้สึกอะไรก็ตามเนี่ยเพียงแค่รับรู้ความรู้สึกของเราในขณะนี้นะมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยกลับมามีความรู้สึกตัวแม้ว่าความรู้สึกบางอย่างมันจะเป็นความรู้สึกที่เป็นเป็นลบนะเช่นความเครียดความหงุดหงิด ความโกรธความขุนมัวแต่ทันทีที่เรารู้ว่าเรารู้สึกอย่างไรตอนนี้เนี่ยมันก็จะช่วยนะทำให้อีความรู้สึกหรืออารมณ์เหล่านี้บรรเทาเบาๆลงไปได้เพราะในยามนั้นเนี่ยเราเกิดความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี้นก็เป็นปฏิปาวความหลงนะ แลวที่อารมณ์เรานะั้นมันเกิดขึ้นมาได้เพราะเราหลงอาจจะเป็นเพราะเราปล่อยใจไปจมอยู่กับสิ่งภายนอกปล่อยให้ใจเนี่ยมันไหลไปตามสิ่งเร้าที่หรือสิ่งกระตุ้นซึ่งจำนวนไม่น้อยนี่ก็เป็นสิ่งกระตุ้นไปในทางลบ ทำให้เกิดความเครียดทำให้เกิดความวิตกทําทำให้เกิดความกังวลทำให้เกิดความเกลียดความโกรธมันหลงนะมันหลงเข้าไปหลงไปกับสิ่งกระตุ้นเราแล้วพอมีอารมณ์เกิดขึ้นก็หลงเข้าไปในอารมณ์นั้นแต่พอรู้สึกตัวขึ้นมานะความหลงมันก็หายไปพอเขาหลงหายไปเนี่ยไอความอารมณ์ที่มันเป็นลบเนี่ย มันก็จะบรนเทาเบาบ า, บางลงไปแล้วความสึกตัวมันจะเกิดขึ้นได้ในวิธีง่ายๆคือการที่เราถามตัวเองนะว่าตอนนี้ฉันรู้สึกอย่างไรนะฉันคิดอะไรอยู่บางทีเราคิดทุ้งซ่านและคิดโดยที่ไม่รู้เนืรู้ตัวคิดยืดยาวแต่พอทันทีที่เราถามตัวว่านี้ฉันคิดอะไรอยู่ในความคิดที่กำลังปั่นหัวเราอยู่นี่มันสะดุดได้เหมือนกันนะมันชะ ง, งักได้เหมือนกัน อันนี้พอตอนนั้นเราเริ่มจะมีความสึกตัวเกิดสติขึ้นมามันเป็นคำถามนะที่เราควรถามตัวเองนะโดยพ่อผู้ใหม่เนี่ยมาช่วยฟื้นให้เกิดความสึกตัวขึ้นมาและถ้าเกิดว่าเราทำยบ่อยๆเนี่ยเราก็จะมีสติมากขึ้นและการที่เรามีสติมากขึ้นเนี่ยมันก็ทาให้เราเนี่ยสามารถที่จะ พัฒนาทักษะนะเรียกว่าอย่าง น, นก็ได้ทักษะในการรับมือกับอารมณ์ต่างๆเพราะบางครั้งเนี่ยแม้เราจะรู้นะว่าตอนนี้กำลังเครียดตอนนี้กำลังหงุดหงิดเนี่ยแต่ว่าอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ยอมจางคายไปง่ายๆแต่ถ้าว่าเราเมีสติมากขึ้นเราก็จะรู้ว่า มันมีเราจะพัฒนาวิธีการในการรับมือกับอารมณ์เหล่านี้มากขึ้นเช่นรู้จักยอมรับอารมณ์เหล่านั้นนะแทนที่จะผลักใสแทนที่จะกดข่มมันเ อ, อ่ยอมรับมันซะพูดอย่างนี้เนี่ยหลายคนเขา้าใจว่ามันจะดีเรือเ่องนะเพราะยอมรับเนี่ย เรามักจะหมายความหมายถึงการยอมแพ้แต่จริงไม่ใช่เลยแต่มันเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยตั้งหลักตั้งสติได้บ่อยครั้งเนี่ยพอมันมีอารมณ์เ่าที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยและเราทุกข์เนี่ยเพราะว่าเราไม่ยอมรับมันเราผลักไสมันเรากดข่มมันเราพยายามไล่ดีมันซึ่งก็เท่ากับเป็นการ เติมพลังให้อำ น, นาจกับมันทำให้มันเนี่ย้ามาครอบง น, นจิตใจเราบ้างขึ้นแต่ทานที่เรายอมรับมันหรืออนุญาตให้ตัวเองเนี่ยมีอารมณ์เหล่านั้นได้เนี่ยมันก็แปลกนะมันทาให้อารมณ์เหล่านั้นมันคลี่คลหรือจางคลายไปได้อย่างที่เคยเล่าเมื่อหลายวันก่อนนะว่ามี เพียงคนหนึ่งเนี่ยแกเกิดโกรธใครบางคนขึ้นมาแล้วโกรธก็จิตใจก็รุ่มร้อนพยายามตามลมหายใจเพื่อให้ความโกรธหายไปมันก็ไม่ได้ผลเดินจงกลมเดินแล้วเดินอีกนะ ก็ยิ่งกับหงุดหงิดหรือว่ากับโกรธมากขึ้นพุ่งสร้างใหญ่เลยคนนี้และพยายามเรียกชื่อมันนะครูบาอาจารย์สาวะเนี่ยเราต้องเรียกชื่อมันโกรธเนอโกรธหนอมันก็ไม่ยอมหายจนกรทังถึงจุดหนึ่งเนี่ยเธอบอกตัวมันเนี่ยถ้าเธอจะโกรธก็ได้นะมันโอเคนะที่เธอจะโกรธเขาอะ พราะถ้าใครที่เจอแบบเธอคงจะโกรธเหมือนกันพอไมนมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นหรือ ม, มีเสียงในหัวแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยให้ความโกรธเนี่ยมันทุเลาลงไปเลยจนเธอก็แปลกใจนะทำไมมันหายไปเร็วอย่า ง, ง น, านั้นทั้งที่ใช้วิธีอื่นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ผลแต่ทันทีที่อนุ ญ, ญาตให้ตัวเองโกรธได้นะเออมันความโกรธเนี่มันกลับล่าถอยไป เหมือนกับว่าแต่ก่อนขับไล่มันมันก็ยิ่งดื้อรั้นแต่พอยอมรับมันต้อนรับมันมันก็สยบยอมแต่โดยดีนะไอเป็นเพราะว่าก่อนนั้นนี่เธอไม่ยอมรับไม่ยอมรับที่ตัวเองโกรธใครบางคนแล้วก็เป็นธรรมดานะคนเราเนี่ยโดยเพพาะอ่ ที่สนใจการปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่ค่อยชอบอารมณ์ทํานองเนี่ยเดีย๋ยวเพราะคนดีเนี่ยจะไม่อยากจะให้ความโกรธเกิดขึ้นรวมทั้งความเกลียดความอิจฉาเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่นําความทุกข์เป็นสิ่งที่เผาลนกลียดแทงใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนยีเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ยอมรับอย่างพักสมัน แต่ในที่ยอมรับมันอ น, นุญาตให้ตัวเองโกรธได้นี่เมื่อมันหายไปเลยในการที่คนเราจะอนุญาตให้ตัวเองโกรธได้นี่มันก็ต้องมีสติเป็นพื้นฐานนะแต่ต่อไปเนี่ยพอเจริญสติไปมากขึ้นมากขึ้นหรือว่าสติก้าวหน้ามากขึ้นเนี่ยมันจะก้าวจากการอ น, นุญาตให้ตัวเองโกรธเนี่ยมาเห็นความโกรธในใจ ไอ้ตอนที่อ่านี่ย่ะให้ตัวเองโกรธได้เนี่ยนะมันยังมีความรู้สึกว่าเราโกรธเราโกรธนะความโกรธเป็นเราแต่ว่าพอเจริญสติได้ถึงจุดหนึ่งนะมันจะเห็นนะว่าเนี่ยมันไม่ใช่เราโกรธนะแต่มันเห็นว่ามีความโกรธเกิดขึ้นในใจท่า น, นี่ต่างกันนะรู้สึกว่าฉันโกรธ กับเห็นความกลัวเกิดขึ้นในใจเนี่ยเห็นความเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันเรียกว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นไอท้ที่รู้สึกว่าฉันโกรธฉันโกรธหรือรอันเียฉันโกรธได้เนี่ยมันยังมีการเป็นนะหรือเข้าไปยึดว่าความโกรธเป็นฉันแต่ว่าพอสติพัฒนาจุดหนึ่งถึงมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเห็นความจริงยิ่งไปกว่า น, นั้นนะว่าไม่ไม่ใช่ ฉันโกรธนะมันแค่มีความโกรธเกิดขึ้นในใจอันนี้เรียกว่าเกิดภาวะผู้เห็นหรือว่าเห็นขึ้นมาไม่ใช่เข้าไปเป็นอันนี้มันก็เป็นพัฒนาการนะจากเดิมที่ถามตัวเองว่าเนี่ยฉันรู้สึกอย่างไรเพาะฉันโกรธนะแล้วก็กล้ามาสู่การที่จะให้ตัวเองโกรธได้ แล้วก็พัฒนาเลื่อนขั้นมาจนเห็นความกลัวเกิดขึ้นในใจเห็นความกลัวเกิดขึ้นในใจนะแต่ว่าไม่ได้ยึดความกลัวนั้นเป็นฉันสตินี่มันทำให้เห็นมันทำให้มัน ท, ใ ห, นทให้เกิดเรียกว่าการปล่อยการวางเหมือนกับต่กอนนี่นะมีกองไฟอยู่กองหนึ่งก็ กระโจนเข้าไปเจะกองไฟแต่ตอนหลังเนี่ยรู้จักก้าวออกมาจากกองไฟเห็นกองไฟไอ้ความทุกวัชันโกรธเนี่ยก็เหมือนกับว่าเข้าไปอยู่ในกองไฟแล้วล่ะเป็นผู้โกรธแต่เห็นความโกรธในใจฉันเนี่ยมันก็เปลี่ยนมันก็ว่าเดินหรือก้าวออกมาจากกองไฟไฟก็ยัง กองแฟก็ยังไมมอยู่นะแต่ว่าความสึกทุกข์มันลดลงแล้วเพราะว่าอยู่ห่างจากกองไฟอันนี้เป็นภาวะผู้เห็นนะคือเห็นไม่เข้าไปเป็นถ้ามันเป็นมันเป็นการพัฒนานะที่เกิดจากการมีสติมีความสึกตัวมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ช่ปฏิบัติแล้วนี่มันไม่มีความกลัวไม่มีความเกลียดนะไม่มีความทุกข์ไม่มีความอิจฉาผุนะุู้ชนก็ย่อมมีความรู้สึกแบบนี้แต่ว่ามันมีแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องทุกข์ก็ได้หากว่าเห็นมันนะเช่นเดียวความปวดเนี่ยความปวดนะมันห้ามไม่ได้ ปวดจิตกายแต่ว่าไม่เป็นผู้ปวดเพราะเห็นความปวดอันนี้มันอาศัยสติที่พัฒนาที่เกิดจากการฝึกบ่อยๆแตท่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นจากการที่เรารู้จักถามตัวเราเองนะว่าเนี่ยตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรแต่คำถามอย่างนี้คำถามข้อนี้ข้อเดียวนี้ อาจจะยังไม่พอนะมีอาจารย์คนหนึ่งนะเป็นฝรั่งเนี่ยก็เป็นอาจารย์สอนภาวานานเรื่องการเจริญสติแล้วบอมีคําถามอีกข้อหนึ่งนะที่เราควรถามตัวเองนะหลังจากที่เราถามข้อแรกมาแล้วเนี่ยว่าเราว่าฉันรู้สึกอย่างไรตอนนี้คําถามข้อที่สองเนี่ยก็คือฉันต้องการอะไร เมื่อฉันรู้สึกโกรธเมื่อฉันรู้สึกเหนื่อยเมื่อฉันรู้สึกเครียดตอนนี้ฉันต้องการอะไรในคําถามนี้ก็สําคัญนะเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่เคยถามคําถามนี้เลยแล้วก็ก็เลยไม่ได้คิดที่จะหาทาง แ, แก้ความทุกข์ของตัวเองโดยเพราะคน มีหลายคนนะที่เป็นคนที่สนใจแต่ความต้องการคนอื่นใส่ใจความต้องการของคนอื่นเป็นคนที่มีน้ำใจมีเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นนะแต่ว่าลืมลืมความต้องการตัวเองหรือว่าไม่ใส่ใจกับความรู้สึกส่วนลึกของตัวเอง คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็ใช้ชีวิตไปตามความคาดหวังไปไปตามความคความต้องการของผู้อื่นแต่ว่าลืมถามตัวเองว่าเนี่ยจริงๆแล้วฉันต้องการอะไรเป็นแบบนี้เยอะนะทำอะไรต่าง ม, มากมายเพื่อเพื่อสนองความต้องการหรือความคาดหวังของคนอื่นใช่เป็นพ่อแม่อาจจะเป็น เพื่อนฝูงนะรู้หมดนะว่าเพื่อนฝูงเนี่ยเขาชอบอาหารอะไรชอบกินอะไรแต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรแน่แล้วคนแบบนี้ก็มักจะลงเอยด้วยความสึดเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าสนองแต่ความต้องการของคนของคนอื่นจะลืมนะความต้องการของตัวเองหรือบางคนนี่ก็ เอาแต่ทําตามความคาดหวังของสังคมเมื่อจะเป็นเรื่องการเรียนเรื่องการศาึกษาเรื่องการงานแล้วก็ใช้ชีวิตเนี่ยเหมือนกับหนูติดจันทรเอาแต่ใช้ชีวิตเนี่ยเพื่อให้คนยอมรับตัวเองแต่ตัวเองเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าอะไรคือ สิ่งที่ตัวเองต้องการแท้จริงแล้วก็ลงเอยด้วยความทุกข์นะด้วยความเหนื่อยล้าแน่นแต่ถ้าก็ว่าคนเราเนี่ยนอกจากถามตัวเองว่าฉันรู้สึกอย่างไรแล้วนะมีคําถามข้อที่2ตามมาว่าฉันต้องการอะไรแน่คาถามแรกเนี่ยมันเป็นคําถามเพื่อความรู้สึกตัวเพื่อเรียกความรู้สึกเรียกความรู้สึกตัวกลับมาคําถามที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคําถามเพื่อให้เกิด ความกรุณาต่อตัวเองนอกจากกรุณาต่อพืชแล้วเนี่ยการกรุณาต่อตัวเองหรือการรักตัวเองเนี่ก็สําคัญนะนั้นถ้ามีถ้ารู้จักถามเนี่ยคำถาม2ประการเนี่ยอาจารย์เบนอาจารย์เบนนี่ก็บอกเนี่ ย, เ, ยเปรียนเหมือนกับมีมีปีกสองข้างนะนกนี่ก็ต้องมีปีกสองข้างที่จะเพื่อที่จะพาตัวเองเนี่ยไปสู่ความอิสระหรือว่าห่างไกลจากความทุกข์ ไปสู่ที่ที่ปลอดภัยนั่วก็เป็นข้อคิดที่น่าสนใจนะนนถ้าเรารู้จักถามคำถามสองประการเนี่ยหนเนี่ยตอนนี้ฉันรู้สึกอย่างไรตอนนี้ฉันเป็นอย่างไร2ตอนนี้ฉันต้องการอะไรบางทีอาจจะต้องการเพียงแค่ได้พักสักหน่อยนะได้ไปเจอเพื่อนฟูงหรือว่าจะได้ออกไปสู่อากาศบริสุทธิ์ หรือบางทีเรต้องการมากกว่านั้นนะคือมีชีวิตที่เป็นของตัวเองหรือว่าต้องการความสงบนันถ้าหาว่าเรารู้จักถามคำถามสอบปากาาเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเนี่รู้จักฟังเสียงของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะหานทางการแก้ทุกน์ให้ตัวเองได้บางครั้งเนีเรา รู้สึกว่าเราโกรธนะถ้าเราถามตัวเองจริงๆเราเฉพาะในี่ยฉันต้องการความสงบเย็นถ้าเราจะพบว่าเราควรจะแผ่เมตตาไม่ต้องถ่ายเมตตาให้ใครแผ่เมตตาตัวเองให้ตัวเองคลายจากความโกรธนะให้ตัวได้พบความสงบเย็นหรือบางทีอาจจะเหนื่อยเพราะการแบกเพราะการยึดแล้วบางทีมันไม่ใช่เป็นการยึดอะไรนะยึดความคาดหวังของคนอื่น ยึดความคาดหวังพ่อแม่ของสังคมแล้วก็เหนื่อยล้าแต่ถ้าถามว่าฉันต้องการอะไรตอนนี้ก็จะพบว่าเนี่ยฉันต้องการพักฉันต้องการวางและตรงนี้มันไ อ, อาทาให้เราเนี่ยเรียนรู้ที่จะวางนะความคาดหวังหรือความยึดติดถือมั่นลงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าความเคยชินของคนเราเนี่ยบางครั้งมันก็ ปฏิเสธยากความเคยชินที่มันต้องการทำเพื่อสนองความต้องการของคนอื่นเพื่อให้คนอื่นยอมรับมันก็ทำให้เราปฏิเสธหรือมองข้ามความต้องการตัวเองแต่ถ้าเราถามตัวเองอบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดความกการตระหนักถึงความสําคัญของการรักตัวเองการเมตตากรุณาต่อตัวเอง แล้วยิ่งถ้าเรามีสติมากขึ้นเนี่ยมื่อทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไม่ปล่อยใจไปตามความเคยชินได้แล้เราต้องรู้จักฟังเสียงตัวของตัวเองนะโดยเพราะผู้ที่นะยังเป็นผู้ใหม่ในการปฏิบัติเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติอยู่เนืองๆ น, นะ โดยเพระการเจริญสติการทํามรความรู้สึกตัวเนี่ยซึ่งใหม่ๆมันก็จะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อแต่พอเราทำบ่อยๆทําบ่อยๆถึงจุดหนึ่งมันไม่ไปต้องถามตัวเองแล้วไม่ไปต้องถามตัวเองแล้วว่าเนี่ยตอนนี้ฉันรู้สึกอย่างไรที่ไม่ไปต้องถามเพราะอะไรเพราะว่าสติมันจะบอกเราเองมันจะบอกเราเอง่าตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรตอนนี้เราเบื่อเรา เครียดตอนนี้เราหงุดหงิดนะสติมันจะเป็นตัวบอกมรือเป็นสัญญาณเตือนซึ่งจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะว่าเราจเจริญสติ่เนืองๆไม่ใช่ด้วยการเข้าคอร์สนะเท่านั้นนะแต่ว่าด้วยการปฏิบัติในชีวิตประจำวันทำอะไรก็ทำด้วยความสึกตัวทำอะไรก็รู้ว่ากายทำอะไร เวลาใจเผยคิดนึกไปก็รู้นะสติมันเป็นตัวบอกโดยที่ไม่ยัาเป็นต้องถามว่าตอนนี้ฉันคิดอะไรอยู่ตอนนี้ฉันรู้สึกอย่างไรถ้าเราตัวรสติหรือท่งความสึกตัวในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็จะรู้เองนะว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรแล้วก็รู้ว่าตอนนี้ฉันต้องการอะไรแต่ว่าสาหรับผู้ใหม่เนี่ยนะ การที่มันถามตัวเองอยู่หนึ่งเนะื้อสองข้อเนี้ยตอนนี้ฉันรู้สึกอย่างไรและฉันต้องการอะไรมันก็จะช่วยทำให้เรามีความสึกตัวและเรียนรู้ที่จะรักตัวเองได้มันเป็นหนทางในการที่จะฝึกให้รู้จักฟังเสียงตัวเองบ้างหลังจากที่ฟังเสียงใครต่อใครมาม า, มากแนละ้ว อ่าเดี๋ยวนี้คือผู้คนนี้นะ